มงกุฎไพรเล่มสี่ตอนที่206ภายหลังเมื่อแงซายและสางปาได้ออกพ้นไปจากห้องโถงกว้างใหญ่อันเป็นที่ชุมนุมของทุกคนในขณะนั้นโดยรับตาออกไปอึดใจเดียวรับพินไพรวันก็บอกกับทุกคนโดยสุภาพว่าค่อนข้างดึกมากแล้วครับผมเองกับเจ้าพรานพวกนี้ก็เห็นทีจะต้องลาคุณหญิงและทุกท่านกลับไปยังที่อันควรของพวกผมก่อน ทุกคนมองหน้าเขาเป็นตาเดียวแล้วผ่านกันเงียบกันไปเป็นครู่ใหญ่แม้แต่ดารินเองสําหรับดารินนั้นเมื่อได้ยินครั้งแรกสีหน้าของหล่อนเปลี่ยนไปนิดหนึ่งแต่แล้วช่วงวิบตาเดียวก็กลับสภาพเป็นปกติเหมือนเดิมมันเหมาะแล้วหรือที่ในคืนแต่งงานนี้เจ้าบ่าวจะแยกจากเจ้าสาวไปเสรยจแล้วอนุชาวราริศ เอ่ยขึ้นลอยๆแต่ใบหน้าไม่ส่อเขาว่าจะตำหนิใดๆและพี่ชายใหญ่ก็กล่าวยิ้มยิ้มมาอีกคนหนึ่งว่าคุณแต่งงานกับน้องสาวของพวกเราแล้วนารพินพรานใหญ่หลบสายตาทุกคนหันไปทางเจ้าสาวของเขาซึ่งขณะนี้ยังมีมงกุฎไพรประดับเด่นอยู่บนศรีรษะด้วยน้ำมือของเขาเองหล่อนประสานสายตาตอบพรางยิ้มให้กึ่งขบขันกึ่งสงสารครับ ผมตระหนักดีในการแต่งงานหรือเข้าสู่วิวากับคุณหญิงดารินโดยถูกต้องหมดทุกประการสำคัญที่สุดก็คือภายใต้การเห็นชอบยินยอมจากท่านผู้ใหญ่ของคุณหญิงทุกท่านแต่ก็ขอให้เป็นแต่เพียงทางพิธีการก่อนก็แล้วกันภาระหน้าที่อันพึงจะต้องปฏิบัติของผมยังไม่สิ้นสุดลงครับข้อนี้ทุกท่านคงจะตระหนักดี ผมและพวกลูกน้องของผมทุกคนได้แอบพระหนีหนายจ้างของผมมาในคืนนี้กันทั้งหมดโดยช่วยโอกาสในขณะที่พวกเขาพากันหลับไหลไปหมดและได้พระจากมานานพอสมควรแล้วหากพวกเขาคนใดคนหนึ่งตื่นขึ้นมาในตอนนี้และมองไม่เห็นพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่เห็นผมอยู่กับพวกเขาด้วยเขาคงจะตกใจมากทีเดียวประโยคคาพูดของระพิน์ กลับคืนมาสู่สภาพความเจียมกายเจียมใจและสำรวมตามเดิมเราเห็นใจและเข้าใจในสถานภาพของคุณขณะนี้ระพินคุณชายแช่ถาเอ่ยขึ้นอย่างการุนและด้วยอารมณ์ดีเต็มไปด้วยความสุขุมเยือกเย็นตามบุคลิกเดิมของเขาโดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่อยากจะถามแทนเจ้าสาวสักนิดหวังว่าคุณคงไม่ขัดข้องเชิญครับผมยินดีที่จะตอบโดยสุจริตใจจริงเสมอ เมื่อไหร่อย่างไรภาระหน้าที่ของคุณจึงจะสุดสิ้นลงเสียทีกับนายจ้างพวกนั้นภาระหน้าที่ของผมจะสุดสิ้นสมบูรณ์ลงก็ภายหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้พระจากผมไปแล้วในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดโดยไม่มีการทอดทิ้งหรือปล่อยเขาไปตามยถากรรมแม้ว่าจะได้นํามาจนพบซากเครื่องตกแล้วก็ตามเาชษฐาชัยยันและอนุชามองหน้ากัน แล้วก้วมศรีรษะลงโดยไม่ได้นัดกันไว้เลยคุณพูดอย่างระพินไพรวันและพวกเราทุกคนขอนับถือใจชายันเอ่ยขึ้นเสียงลึกแล้วหันมาแตะหลังดารินผู้ยังนั่งสงบวางหน้าปกติเฉยอยู่ถามความเห็นว่าหรือยังไงน้อยฉันภูมิใจในตัวเขาอย่างสุดหัวใจมานานแล้วในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นสุภาพบุรุษของเขา ก็แปลว่าน้อยจะไม่ร่างตัวเขาไว้ให้อยู่กับพวกเราในคืนนี้อนุชาถามน้องสาวเหมือนจะอย่างใจความจริงน้อยมีสิทธิ์แต่มันน่าละอายมากค่ะในการที่น้อยจะถือสิทธิ์เช่นนั้นเธอทั้งสองมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและนักต่อสู้ที่ทัดเทียมเสมอกันมีความเข้าใจซึ่งกันและกันดีที่สุดพวกพี่ๆทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยเชษฐาพูดช้ า, ชาๆด้วยอารมณ์ที่ราบรื่นเป็นสุข ก้มลงจุดซิก้าแล้วเงยขึ้นถามระพินต่ออังละคุณและพวกพรานทั้งสี่คนของคุณจะกลับไปยังที่อยู่ของฝ่ายสตลลี่ก่อนในคืนนี้ทางเราก็ไม่ขัดข้องอะไรและเห็นว่าควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยเพราะถ้าแม้ว่าคุณบอกว่าคุณจะขออยู่ร่วมกับพวกเราที่นี่ผมก็คงจะไล่ให้คุณกลับไปก่อนแน่นอนทีนี้ว่าแต่ว่าระหว่างที่เรายังอยู่ในมรกนครแห่งนี้ คุณมีความคิดอย่างไรคณะของเราทั้งสองฝ่ายจะยังคงแยกกันอยู่เช่นนี้หรือทั้งสองฝ่ายขณะนี้ก็เปรียบเหมือนอยู่ในขอบเขตอนาบริเวณเดียวกันแล้วครับระพินตอบอย่างไตรตรองเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างถูกจัดให้อยู่บ้านคนละหลังเท่านั้นเพื่อความสะดวกและเป็นส่วนสั์ของแต่และฝ่ายจะอย่างไรก็ตาม ภายหลังจากภารกิจพรุ่งนี้เสร็จสิ้นไปแล้วผมเข้าใจว่าฝ่ายของสแตลลี่หรือฝ่ายของคุณชายเชษฐาจะมีการไปมาหาสู่เสวนาปราสายกันได้อย่างสนิทสนมใกล้ชิดเพิ่มขึ้นและมีเวลาเหลือเฟือทีเดียวฝ่ายใดจะไปพักร่วมกับฝ่ายใดก็ย่อมได้ โดยมีผมและพรานพวกผมเป็นตัวเชื่อมประสานและตั้งแต่คืนพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ไม่จำเป็นว่าทางฝ่ายผมจะต้องไปคอยปรนิบัติรับใช้ชนิดที่เวลากลางคืนก็จะต้องอยู่ใกล้ชิดนอนฟอพวกเขาทุกคืนไปเพราะที่นี่ปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงแล้วถึงสแตนลีย์คิดเชิดวุดอิซาเบลหรือคริสตีนาคนใดคนหนึ่ง อาจถูกคอมีความสนิทสนมกับพวกเราคนใดเป็นพิเศษอาจมาขอร่วมหลับนอนสนทนาอยู่ที่ปราศาสหลังนี้ก็ย่อมได้ไม่จำกัดเสมอไปว่าจะต้องแบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดเป็นสองฝ่ายเอาว่าถ้าเขาพอใจเขาก็มาหรือพวกเราคนใดพอใจพวกเราก็ไปหาเขา ทุกชีวิตของพวกเราทุกคนที่เข้ามาอยู่ยังดินแดนมรกรนครแห่งนี้ล้วนเป็นพวกเดียวกันทั้งสิ้นจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายที่ต่างฝ่ายต่างแยกกันนี่คือความคิดของผมซึ่งเข้าใจว่าคงจะตรงกับของฝ่ายท่านและฝ่ายของดรสแตลลี่ทุกคนด้วยแต่ขอเพียงให้ผ่านพ้นคืนนี้ไปเสียก่อนเท่านั้นเพราะมันยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น และพรุ่งนี้ก็ยังมีภารกิจที่ฝ่ายเขาจะต้องปฏิบัติเป็นการสำคัญใหญ่ยิ่งซึ่งผมยังมีหน้าที่จะต้องคอยประสานงานรับใช้โดยตรงส่วนพวกของคุณชายหรือฝ่ายมรกรนครทุกคนนั้นก็เพียงแต่คอยสังเกตการหรืออาจให้ความร่วมมือช่วยเหลือเฉพาะเมื่อถูกขอร้องเท่านั้นทั้งสามคนของคณะเจ้านายเก่าก้มศรีรษะคุณพูดได้กระจ่างชัดดีมากเอาละถ้าแม้ว่าคุณจะไปก็ไปได้แล้ว แช่ถาบอกยิ้มยิ้มขณะเดียวกันชา ย, ยันก็สอดมาทันทีว่ามีข้อแม้แต่เพียงว่าคุณยังเอาเจ้าสาวของคุณไปจากที่นี่ในคืนนี้ยังไม่ได้กระพินหัวเราะเขาเข้าใจดีว่านั่นเป็นการสัพพยอของชั ย, ยันครับผมข้อนี้ผมเข้าใจดีและหาบางอาจไม่ผมลาก่อนละครับพรุ่งนี้เราคงพบกันในภารกิจใหญ่ของอเมริกันพวกนั้น กล่าวสิ้นประโยคเขาก็กระโถดถอยออกมาพร้อมกับดีดนิ้วโดยแรงเป็นสัญญาณเรียกบุญคำจันเกิดและเสยที่ยังนั่งสนทนาอย่างชนิดไม่มีวี่แววของการง่วงเหงาหานอนกับพรรคพวกอันเป็นลูกหาบของฝ่ายเช่้ท้าเมื่อพวกนั้นหันขวับมาเขาก็บอกสั้นๆว่าพวกเรากลับที่พักทั้งสี่คนพากันผุดลุกขึ้นยืนกระเตรียมตัวอย่างไม่ค่อยจะเต็มใจนกะตาคาบ่นออกมาว่า นายจะไปไหนก็ไปเถอะน่ะขอไอ้คํากับไอ้พวกนี้นอนที่นี่ไม่ได้หรอกําลังคุยกันสนุกสนุกไม่ได้ต้องกลับน้ําเสียงของเขาเฉียบขาดขึ้นพวกนั้นหน้าม้อยตาเท่าจอมสปะปดกเกาต้นคอยิกยิกยังบ่นอุบอิบต่อไปเอาวะกลับก็กลับแล้วเมื่อไร่บุญคําจะได้ย้ายสามโนครัวมาอยู่กับพวกเจ้านายเก่าสักทีละ่ะ รบพินไม่ตอบนอกจากจุปากเบาๆแล้วโบกมือเป็นสัญญาณแต่แล้วก่อนที่เขาจะขยับตัวนั่นเองเสียงเบาหวานของดารินก็แว่วมาว่าคุณรบพินคะคุณบอกให้ตาคำกับพวกนั้นล่วงหน้ากลับไปก่อนได้ไหมขอเวลาชั้นสักไม่เกิน1ินาทีเท่านั้นเป็นเวลาสำหรับเราโดยเฉพาะแล้วคุณค่อยตามหลังกลับไปรับรองว่าไม่กักตัวเอาไว้ทั้งคืนหรอกอย่างว่าง่ายที่สุดเป็นครั้งแรก จอมพรานสนองตอบว่าตกลงครับคุณหญิงแล้วเขาก็หันไปร้องสั่งลูกน้องทั้งสี่ว่าบุญคําเอาไอ้พวกนั้นกลับไปก่อนประเดี๋ยวฉันจะตามไปพรุ่งนี้เราจะต้องมีงานทำกันอีกระหว่างไปถึงที่แล้วอย่าเอะอะโครงครามให้พวกนายฝรัง่งทั้งหลายตื่นขึ้นมาละ่ะไปถึงแล้วทุกคนนอนให้หลับเอาแรงไว้บุญคาพาลูกน้องเลี่ยงห่างออกมาพอเดินเฉียดเขาก็ยื่นหน้ามาบอกว่า พวกบุญคำไปก็ได้แต่นายไม่ต้องกลับไปหลอกอยู่ก็ น, นายหญิงที่นี่แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยไปรัพินไม่พูดอะไรนอกจากเอาฝ่ามือผลักหน้า อ, อกแกเบาๆพวกพลันทั้งสี่คนพากัน ร, ร้องบอกลาพักพวกแล้วรับกายออกไปอย่างสงบท่ามกลางอาการหัวเราะเบาๆอย่างขบขันของฝ่ายนายจ้างเก่าทั้งหมดทุกคนมีความสุขยิ่งที่เห็นเจ้าพวกนั้น ดารินก้มลงไปรื้อคนอะไรอยู่ยังกองสัมภาระส่วนตัวของหล่อนอยู่อึดใจหนึ่งก็หยิบเอาห่อพลาสติกสีดำติดมือขึ้นมาถือไว้แล้วหันไปบอกพี่ๆทุกคนว่าขอเวลานอกสักนิดนะคะน้อยมิทุระต้องการพูดกับรบพินโดยเฉพาะเชิญตามสบายเธอมีห้องส่วนตัวของเธออยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่เห็นเข้าไปใช้สักทีนอกจากเฉพาะเวลาเข้าไปแต่งตัวอาบน้าเท่านั้นอนุชาบอกมา หล่อนพยักหน้านิดหนึ่งกับรพินแล้วก้าวนำหน้าไปก่อนจอมพรานก็เอาตามหลังไปอย่างสงบและชั่วไม่นานทั้งสองก็เข้ามาอยู่กันตามลำพังภายในห้องบรรทมอันวิจิตโอราณที่ทางมรกรนครจัดไว้ให้เป็นห้องนอนของหล่อนโดยเฉพาะหญิงสาวโยนถุงพลาสติกดำที่ถือติดมือมาลงไปบนเตียงโดยไม่สนใจอะไรก่อนทั้งสิ้นแล้วหันกลับมาเผชิญเขาระยะห่างกันเพียงชั่วคืบ รพินเอามือขึ้นบรรจงจัดมงกุฎไพรที่ยังสวมอยู่บนศรีรษะของหล่อนเพื่อจัดให้อยู่ในที่ทางตำแหน่งอันเหมาะสมที่สุดแล้วก้มลงพิษดูอย่างหลงไหลเมื่อนั้นวงแขนทั้งสองของหล่อนก็ยกขึ้นอกกระหวัดรอบคอเข้าแน่นและเขาก็สวมกอดหล่อนเข้ามาแนบไว้กับทรงอกจูภรรยาของคุณสิคะแม้ว่าคืนนี้เราจะไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันตลอดจนรุ่งเช้าก็ตาม หลอนกระซิบแผ่วหานที่สุดรพินก้มลงจูบตั้งแต่หน้าผากดวงตาทั้งสองพวงแก้มซ้ายขวาแล้วมาหยุดประทับนิ่งที่ริมฝีปากเป็นเวลาสนิทนิ่งนานฝ่ามือของหล่อนลูบไล่อยู่ที่ปลอยผมบริเวณท้ายทอยและศีรษะของเขาและจูบตอบด้วยหัวใจอันเต็มตื้นเปี่ยมล้นไปด้วยความรักจูบให้สมกับที่ได้เคยถวิลหาอาดูลมาเป็นเวลาช้านาน เมือ่อริมฝีปากของทั้งสองพระแยกจากกันแต่ยังเคลียชิดใกล้กันอยู่หล่อนเอาปลายจมูกเสียสีกับปลายจมูกเขาเค้าเคลียไปมามันเป็นคืนที่ผมสมหวังและมีความสุขที่สุดในชีวิตเขากระซิบไม่อยากถามแต่ก็อดถามไม่ได้อย่ากโกรธฉันนะคะผมจะไม่มีความโกรธหรือมีความหงุดหงิดอีกแล้วตลอดทั้งชีวิตนี้ขอสัญญา รักฉันคนเดียวหรือเปล่าคารพินรารพินไพร์วันรักคุณหญิงดารินวาราริตเพียงคนเดียวเหมือนกับอคนีรุธที่หลงรักจิตตรางคนางเพียงนางเดียวและได้เฝ้ารอเฝ้าติดตามมาแล้วทุกชาติลนจูบปริมฝีปากเขาอีกครั้งเบาๆชื่นใจฉันเชื่อคะ่ะแต่อยากจะขอฟังจากปาก ข, ของคุณให้ชัดๆหูอีกครั้งเท่านั้นต่อไปนี้เรามาผนึกชีวิตร่วมกันนะคะ และจะขอร่วมกันชนีดทุกชาติไปให้สะสมกับที่เราได้แยกจากกันมาแล้วนานแสนนานเหลือเกินกำเขาของเราแต่ปางบรนหมดสิ้นลงแล้วครับผมเราไม่มีวันพลัดพรากแยกจากกันอีกแล้วต่อให้ตายจากในชาตินี้ชาติหน้าก็จะขอพบอีกจำมงกุฎไพรที่สวนประดับอยู่บนศรีรษะคุณหญิงในขณะนี้ได้ไหมครับหล่อนยิ้มพยักหน้าลง จำได้ทั้งหลับและตื่นทั้งชาตินี้และชาติในอดีตคุณเคยสวมให้ฉันมาก่อนแล้วในยุคนั้นวันที่เราใช้ชีวิตสั้นๆอยู่ร่วมกันในถ้ำกลางป่าลึกอันเป็นขันทศีมาติดต่อระหว่างแคว้นนิทรานครและแคว้นปัญจาน ร, ราตรีนั้นในถ้ำกลางป่าครั้งนั้นเรามีทั้งความรักและความขัดแย้งทั้งด้านการเมืองจิ ต, ตราคณางใช้คมดาบ ฟันด้ามหอกอันเป็นท่อนเหล็กของชาวปัญจานขาสะบ้านออกเป็นสองท่อนเพื่อให้เห็นว่าดาบของชาวนิทรานครอันเป็นประมุขแห่งสหราชนาจาักรนั้นคมแกร่งยิ่งนะักแต่ดาบของชาวปัญจานกลับพิสูจน์ว่าคมด้วยฤทธิ์กว่าดาบของนิทรานครเสียอีกเพราะแม้แต่แพรพันคอของจิตราคนางที่ปลิวหล่นช้าๆลงมาแตะกับคมดาบที่อัคคณีรุธ วางรองรับไว้ก็ยังขาดออกเป็นสองท่อนเพียงแต่แตะสัมผัสต่อไปนี้เราจะไม่มีความขัดแย้งกันอีกแล้วนะคะครับจะไม่มีอีกแล้วต่อให้คุณหญิงเป็นไฟผมก็จะเป็นน้ำทุกครั้งไปแงาซายรู้ประวัติในอดีตของเราหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณทราบไหมคะไม่มีอะไรที่แงาซทายหรือจักรราจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของเรา ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติเขาประชดแดกดันย่ะหยันผมมาตลอดเวลาแต่แล้วในที่สุดเขาก็แต่งงานคุณหญิงให้แก่ผมโดยเลือกจังหวะอันเหมาะสมที่สุดและมอบสิ่งที่สําคัญที่สุดแก่ผมเพื่อสวมประดับให้แก่คุณหญิงนั่นคือมงกุฎไพรช่อนี้มีผู้รู้ความในสําหรับชีวิตความเป็นมาในอดีตชาติของเราเฉพาะสมคนเท่านั้นใช่ไหมคะ ผมแน่ใจเช่นนั้นและไม่คิดที่แพร่งพปายเปิดเผยกับผู้ใดอื่นอีกทั้งสิน้นคุณหญิงอย่าได้เผลอบอกใครเป็นอันขาดเรารู้กันเพียงเราสามคนพอระหว่างตัวผมเองคุณหญิงและแง่ทรายซึ่งเขาก็จะไม่บอกใครเหมือนกันยกเว้นแต่เมยานีซึ่งเป็นคู่ชีวิตของเขาคิดว่าเมยานีจะรู้หรือคะผมเชื่อว่าคงจะล่วงรู้มาบ้างมิฉนั้นลักษณะท่าทีหรือคาพูดในบางลักษณะ เม่ยาณีจะไม่แสดงต่อคุณหญิงในสภาพที่ให้การคาระวะอย่างสูงเช่นนั้นพระราชสวามีของนางคงจะต้องเล่าอะไรให้นางทราบบ้างเป็นธรรมดาอยากจะขออะไรคุณสักอย่างเชิญครับมันไตราอาโหสิกรรมให้แก่เขาเถิดนะคะถ้าคิดให้ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นผมอโหสิกให้มันไตรามานานแล้ว ครั้งก่อนเขาถูกทำลายไปด้วยน้ำมือของคุณหญิงและมาในครั้งนี้เขาก็พินาศไปด้วยน้ำมือของคุณหญิงอีกครั้งจะไม่มีใครสยบมันไตรลงได้นอกจากคุณหญิงหรือจิตตรางคนางเพียงคนเดียวเท่านั้นเขาเองก็เป็นอีกวิญญาณหนึ่งที่เฝ้ารอคุณหญิงมาชั่วกับชั่วกันดารินซบหน้าลงกับแผ่นอกเขาถอนใจปนสะอื้นน้อย ฉันจะพยายามอ้อนวอนภาวนาบำบวงต่อนาคเทวีเพื่อขอให้คลายนาคบาทให้แก่ดวงวิญญาณของมันไตรโดยเร็วที่สุดเพื่อว่าเขาจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมและสิ้นเวรกรรมของเราทั้งสองฝ่ายเสียทีฉันไม่ได้เป็นผู้ผิดหรือทำบาปกรรมใดๆแก่เขาไว้เลยนะเขาเป็นฝ่ายมาหลงรักฉันเองในยุคนั้นและความรักของเขามันร้ายกาศ รุนแรงนักลืมเรื่องความหลังในอดีตชาติเสียให้หมดสิ้นเถิดครับต่อไปนี้ไม่มีอัคคณีรุธไม่มีจิตรางคนางไม่มีมันตราราชบุโรหิตจะมีแต่เพียงระพินและดารินเท่านั้นฝ่ามืออันอบอุ่นปลอบประโลมนั้นรูปละอยู่ที่แผ่นหลังของหล่อนและตบเบาๆคะ่ะฉันจะลืมมันเสียให้หมดและต่อไปนี้จะไม่เอ่ยถึงมันอีกแล้ว คุณคิดยังไงครับรพิน์ถ้าเรากลับไปถึงบ้านฉันจะทำหนองน้ําแห้งและป่าแถบนั้นให้กลายเป็นวนอุทยานแห่งชาติให้ใหญ่ที่สุดและอุทิศให้แก่ประเทศชาติไปอย่างที่บอกไว้แล้วจะเป็นมหากุศลสสำหรับคุณหญิงที่สุดผมยินดีด้วยขอสนับสนุนขอรับใช้รับทําหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณหญิงจะบงการเราจะได้หักกรบ ลบหนี้กรรมเก่าของเราทั้งสองที่เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์ป่าออกไปให้หมดสินส้นเสียทีต่อไปนี้ผมจะทำนุบำรุงป่าและสัตว์ป่าชดเชยให้แก่ที่เคยเป็นพรานอันฆ่าทำลายพวกเขามามากมายแล้วการเดินป่ามาในครั้งนี้ก็เหมือนกันผมไม่ได้ฆ่าสัตว์ป่าใดๆนอกเหนือไปจากความจำเป็นในด้านการป้องกันชีวิตตนเองและผู้อื่นและเฉพาะเพื่ อ, อยางชีพให้อยู่รอดเท่านั้น ดารินจูบเขาอีกครั้งแล้วถอยหลังไปที่แท่นนอนที่โยนถุงพลาสติกดำลงไปวางไว้หยิบขึ้นมาถือแล้วยื่นส่งให้แก่เขาฉันเก็บของบางสิ่งบางอย่างของคริสได้ระหว่างที่สวมรอยติดตามคุณมาโดยตลอดก่อนจะถึงห้วยเสือร้องครั้งแรกตั้งใจว่าจะเก็บไว้มอบคืนให้แก่เจ้าตัวเขาเองแต่แล้วก็เปลี่ยนใจไม่อยากจะให้เขาเกิดอาการสะดุ้งสะเทอนใจอีกทั้งสิ้น จึงอยากจะมอบให้คุณเอาไปคืนให้แก่กเขาจะเหมาะกว่าคุณจะรับไปคืนให้ได้ไหมคะจอมพลานขมวดคิ้วอย่างงงงสีหน้ายังยิ้มละไมแต่ยังไม่ได้เอื้อมมือมารับอะไรหรือครับที่คุณหญิงว่าเก็บได้และเป็นของคริสปราเซียมีรอยขานวิ่นด้านหน้าตัวหนึ่งที่เขาถอดทิ้งไว้ในซอกหินบนหน้าผางูเห่าแล้วก็เลสหรือสร้อยข้อมือทองเคของเขา ตลอดทางที่ผ่านมาพบอะไรจะเก็บได้ฉันก็เก็บมาตลอดแหละค่ะรพินโอ้โหพระใหญ่อุทานเบาๆและหัวเราะออกมาคุณหญิงละเอียดรอบครอบและแสวงหาหลักฐานมาตลอดระยะทางทีเดียวแต่อยากทราบว่าคุณหญิงรู้ได้อย่างไรว่าบราเซียที่พบหรือเหลดทองเคเป็นของคริส ยกทรงมันมีขนาด35นิ้วฉันคิดว่าเป็นของคริสมากกว่าของเบลซึ่งรู้ว่ามีขนาดรอบอกที่กว้างกว่าส่วนเลดทองเคมันเป็นอักษรย่อบอกชื่อของเขาชัดเจนตัวแรกจเท่ากับกรูบินตัวหลังซีเท่ากับคริสติน่าหรือว่าฉันเข้าใจผิดรับพินหัวเราะเบาๆออกมาอีกครั้งเยี่ยมจริงๆคุณหญิงนี่จะให้ผมอธิบายทบทวนย้อนหลังไหมครับ เกี่ยวกับบราเซียกับสร้อยข้อมืออันนั้นฉันคิดว่าไม่จำเป็นนะความจริงฉันรู้ในเรื่องสร้อยข้อมือของหล่อนที่ขาดตกตรงที่ประทะกับกระทิงตัวที่เหยียบเสเอิงไส้ทะลักคริสทำขาดในขณะที่กลิ้งตัวอยู่ในพงหนามใกล้ๆสร้างกระทิงล้มโดยลำดับภาพได้จากการบอกเล่าของเสเอิงคนเจ็บแต่ฉันไม่รู้ว่าบราเซียของหลอนขาดออกไปได้ยังไง และทำไมถึงต้องซุกไว้ข้างก้อนหินใหญ่บนหน้าผาด้วยไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นหรอกฉันไม่ได้เข้าใจหรอกว่าคุณจะเป็นคนแกะหรือกระชากบราเซตัวนี้ออกมันมีอุปตวเหตุอะไรหรือเพราะขอด้านหน้ามีรอยครู่ขาดหลุดออกจากกันจนเกี่ยวกันไม่ได้อีกหล่อนจึงต้องทิ้งคืองี้ครับที่หน้าผาบริเวณนั้นผมปีนขึ้นไปรอรับทุกคนอยู่บนนั้นก่อนแล้ว หย่อนเชือกลงมาทําหน้าที่คอยช่วยสาวเอาสองสามนั่นขึ้นไปเป็นคู่แรกเบลปีนขึ้นไปได้โดยปลอดภัยส่วนคริสเกือบเกิดอุปตวเหตุขณะที่ไต่เชือกผมจึงลากขึ้นมาหน้าอกของหล่อนครูดกับพื้นหินเสื้อทั้งด้านนอกและในตรงทรงอกลากไปกับหินครุขระมันก็เลยขาดและหล่อนก็คงจะเปลี่ยนตัวใหม่และทิ้งซ่อนไว้ข้างซอกหินนั่นเอง คุณหญิงตามขึ้นมาทางนั้นก็เลยเห็นเข้าและโถอุตส่าห์เก็บมาด้วยประโยคหลังรพินพูดขันขันปนหัวเราะใช่สิฉันเก็บมาเพื่อจะได้คืนให้แก่เจ้าของเขาอย่างไงละ่ะเพื่อพิสูจน์ว่าฉันเก็บหลักฐานที่สำคัญไว้ทุกชิ้นแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดจะเอาไปคืนเขาด้วยตัวเองแล้วก็เลยฝากคุณเอาไปคืนให้เขาด้วยรพินจูบแก้มหลอนโดยแรงจนเป็นรอยแดงแล้วว่า ผมไม่รับเอาไปคืนให้หรอกครับคุณหญิงนั่นแหละควรคืนให้หล่อนเองถ้ามีโอกาสแล้วจะได้คุยอะไรกันด้วยคริสมีความรักนับถือคุณหญิงก่อนที่จะเห็นตัวจริงเสียอีกเชื่อว่าระยะเวลาต่อไปคงจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุณหญิงมากคริสเป็นผู้หญิงที่แปลกบทจะร้ายหล่อนจะร้ายกาศมากและบทจะดีก็ดีเลิศประเสริฐสุดผมชอบหล่อนแต่ไม่ได้รับ หล่อนมองตาเขาอย่างไว้วางใจสนิทแล้วพยักหน้าฉันเชื่อคุณคุณเป็นคนมีสัจจะแม้แต่ในคำพูดถ้าไม่มีฉันคุณจะรักคริสไหมหมายถึงว่าไม่เคยได้พบเห็นฉันมาก่อนเลยสุภาพบุรุษไพร ย, ยอดรักของหล่อนยิ้มละไมประสานสายตาหล่อนแน่วนิ่งอย่างเปิดเผยปราศจากแววพิรุษปกปิดใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่มีคุณหญิงอยู่กลางใจก่อนแล้ว เขาเอ่ยเนิบนาบแช่มช้าผมยอมรับว่าผมอาจเผอตัวเผอใจให้แก่คริสไปบ้างก็ได้ในบางขณะแต่เรื่องที่จะให้คิดรักคิดหวังเอามาเป็นคู่ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นคงไม่เป็นเช่นนั้นแน่เหตุผลฉันต้องการฟังค่ะหลนมีประวัติเบื้องหลังที่ลึกลับซับซ้อนไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจนักสำหรับผู้ชายทุกคน และไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงที่จะเป็นแม่ของลูกผมขอตอบสั้นๆเพียงแค่นี้แหละครับแต่หล่อนรักคุณมากนะจากสายตาของฉันเท่าที่เห็นแม้จะช่วระยะเวลาสังเกตสั้นๆผมคิดว่าเมื่อพ้นจากภาวะที่เดินทางร่วมกันอยู่กลางป่าอย่างที่ผ่านมาแล้วหลอนก็จะเปลี่ยนความรู้สึกไปเองความใกล้ชิดสนิทสนมความเสี่ยงภยัยร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกัน ระหว่างผมกับคริสและกับทุกคนของคณะนี้ผมยอมรับว่ามีความผูกพันต่อกันมากก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหาเทียบเท่าหนึ่งในสิบที่รพินเคยมีกับคุณหญิงดารินไม่ดารินน้มคอเข้ามาจูบอีกครั้งดวงตาเป็นประกายแจ่มสุขเป็นการดีมาก ที่คุณไม่สร้างภาระผูกพันอะไรให้เกิดขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการตัดความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นเสียเป็นการตัดไฟต้นลมถ้าคุณยุ่งกับหล่อนมาบ้างแม้แต่เพียงครั้งเดียวหล่อนจะก่อความยุ่งยากทันทีเพราะถือว่าหล่อนมีสิทธิในตัวคุณเหมือนกันแต่นี่โชคดีที่คุณมีสัจจะวา จ, จา ย, ยึดมั่นโดยไม่เข้าไปข้องเกี่ยวใดๆด้วยเลยคุณทําให้ฉันภูมิใจมากรพินเอาละคุณไปได้แล้วคะ่ะ อย่าลืมฝันถึงฉันด้วยนะคืนนี้ครับแน่นอนที่สุดไม่ว่าคืนนี้หรือคือนไหนๆก็มีคุณหญิงเข้ามาอยู่ในความฝันของผมตลอดไปอยู่แล้วกล่าวจบเขาก็รวบเอวทั้งสองของหล่อนยกชูสูงขึ้น แล้วผ่อนลงมาเอาใบหน้าซพกับทรงอกของหล่อนซึ่งหล่อนก็กอดรอบศีรษะเขาไว้แน่นจากนั้นคนทั้งคู่ก็แยกปรออกจากกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ้นความกังขาครางแคลงใจใดๆโดยหมดสิ้นดารินเดินตามออกมาส่งเขาจนถึงบริเวณประตูห้องโถงใหญ่ของปราสาทที่พักนอนกันอยู่ ระพินหันมาโบกมือให้คณะเจ้านายเก่าที่ยังจับกลุ่มสนทนากันอยู่แล้วเฝ้ามองการพระจากไปของเขาด้วยสายตาชื่นชมหมายกำหนดการทางมรกนค์เขามีมาไว้ให้แก่พวกเราหรือยังพรุ่งนี้เราจะพบกันเมื่อไรอย่างไรและงานจะเริ่มลงมือเมื่อไรเสียงอนุชาและช ย, ยันร้องถามระพินมาก่อนที่เขาจะรับกายถอยออกไปยังไม่มีหมายกำหนดการมาแน่นอนครับ แต่ mic. พรุ่งนี้รู้เองผมคิดว่าคงไม่ช้าเกินไปนักอย่างน้อยจั ก, กรราศก็คงจะให้ทั้งสองฝ่ายของพวกเราพักผ่อนกันให้เต็มที่เสียก่อนเข้าใจว่าอาซสายหน่อย cosine. หรือหลังเที่ยงไปแล้วมีเวลาอยู่ถมเทคงไม่ต้องรีบร้อนเร่งด่วนอะไรมากนักเหตุการณ์ได้เป็นไปตามจริงที่รพินไพรวันบอกกับคณะเจ้ า, านายเก่าไว้เมื่อกลางเดึกของคืนที่ผ่านมา เพราะว่าสุกรีจะอัญเชิญกระแสรับสั่งจากพระเจ้ากรุงมรกรมาบอกให้ฝ่ายของเชษฐาเริ่มตระเตรียมตัวก็ล่วงเวลาหลังอาหารเที่ยงเข้าไปแล้วซึ่งนั่นหมายถึงปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายสองคณะได้รับการพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เสียก่อนทางฝ่ายอาคันตุ ก, กะผิวขาวและพรานใหญ่ระพินขณะนี้เตรียมพร้อมแล้วทุกคนและเช่นเดียวกับเมื่อวันวานที่ผ่านมาเราทั้งหมดจะไปชุมนุมพร้อมกันที่หน้าสนามชัย สุกรีให้รายงานแกเชษฐาพวกเขาจะไปกันหมดทุกคนเลยใช่ไหมรวมทั้งพวกลูกหาบสิบคนนั่นด้วยอนุชาถามนายทหารใหญ่ผู้มาส่งข่าวทางฝ่ายอาคันตุ ก, กะผิวขาวจะไปกันหมดทุกคนและทางฝ่ายท่านก็ควรจะไปหมดทุกคนด้วยเช่นกันเพื่อที่จะได้ไปรู้ไปเห็นยังตำแหน่งที่อากาศยานอับปางลำนั้น องค์จักรราชและราชนีเมยานีก็เสด็จไปเป็นองค์ประธานด้วยในครั้งนี้พร้อมทั้งกองกำลังทหารม้าหนึ่งกองพันพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือร่วมมือถ้าหากได้รับการขอร้องใดๆจากฝ่ายเจ้าของอากาศยาน ภายหลังจากได้รับทรากรบกำหนดนัดหมายหรือหมายกำหนดการฝ่ายมรกนครเพียงเล็กน้อยทางด้านของเชษฐาก็พร้อมทุกคนรวม16หคนไม่เว้นแม้แต่นานอินขยินและพวกลูกหาบที่มาด้วยก็ออกเดินทางด้วยม้าภายใต้การนำของสุกรีบ่ายหน้าตรงไปยังสนามชัยหน้าสนามอันกว้างใหญ่หน้าเวียงวัง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 เคียงคู่กับเหล่าคุนศึกคู่พระไทยทั้งหลายส่งรอยแย้มสวนและโบกพระหัตมาให้อยู่แล้วส่วนพวกของสเตนลีย์ก็พากันโบกมือทักทายให้อยู่เช่นกันทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและสดชื่นแสดงว่าได้มีการพักผ่อนนอนหลับมาอย่างเต็มที่แล้วตัวรพินเองนั้นยืนมาสงบอยู่เคียงข้างดรสเตนลีย์และกลุ่มอเมริกันเจ้านายที่มาด้วยกันรอบสงยิ้มให้แก่ดาริน เมื่อเคลื่อนเข้ามาหยุดเผชิญหน้าอยู่เฉพาะพระพักของจักรราชผู้ฉลองพระองค์อยู่ในชุดออกศึกเชษฐาชั ย, าชายยานอนุชาและดารินก็ยกมือขึ้นแตะปีกหมวกวันทยาหัดซึ่งพระองค์ก็ยกพระหัตถ์ขึ้นเหนือระดับอังสาเล็กน้อยรับเขารบนั้นพวกข้าพระองค์มาล่าไปหรือเปล่านี่เชษฐาทูลถามขึ้นจักรราชแย้มริมโอดออกไปน้อยๆสง่างามสมศักดิก์ษัตริ์ยิ่งนัก ไม่ได้ล่าช้าไปเลยทางด้านดรสแตนลีย์กับคนของเขาก็เพิ่งมาถึงก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและรอพวกท่านอยู่เพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นเอาละทุกท่านพร้อมแล้วหรือไม่ถ้าพร้อมเราก็จะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้เลยพวกข้าพระองค์พร้อมแล้วเช่ฐาอนุชาและชัยยันสนองตอบพร้อมกันทันที เราจะไปกันตามสบายไม่มีอะไรต้องเร่งร้อนและจะไปกันทั้งขบวนจะกระ่าประกาศกังวานกล้องไปทั่วเจตนาที่จะให้ได้ยินไปถึงฝ่ายของสแตอลี่ด้วยทั้งสองฝ่ายของพวกท่านรวม36คนควรจะเกาะหมู่กันอยู่ใจกลางกองทหารของข้า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 ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสที่จะทักทายสนทนาปราสายกันในระหว่างที่กองทัพม้าทั้งหมดเหาะช้าๆผ่านจากบริเวณสนามชัยตัดใจกลางเมืองเพื่อบ่ายหน้าออกประตูเมืองซึ่งสองฝากเต็มไปด้วยประชาชนที่มารายล้อมอยู่เนืองแน่นอยู่สองฝั่งถนนโหูร้องโบกมือและแพร่พันต้อนรับอึนคันึง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 โอกาสที่ทุกคนของทั้งสองฝ่ายจะพูดจาสนทนากันจึงมีอยู่ในระหว่างที่ม้าเหาะๆไปตามถนนเท่านั้นเพราะถ้าออกพ้นเขตประตูเมืองไปแล้วเชื่อว่าคงจะวิ่งเร็วขึ้นและโอกาสพูดจากันคงไม่มีสำหรับดารินนั้นเมื่อหล่อนแทะเข้ามาเหาะย่างอยู่กลางของอเมริกันสาวสวยคู่นั้นซ้ายมือของหล่อนคืออิสซาเบลและด้านขวาคือคริสติน่า ทั้งสามเรียงหน้ากระดานเว้นช่วงห่างกันแค่เอื้อมมือถึงตั้งแต่เดินทางเข้ามาร่วมขบวนยังจุดนัดพบทั้งสายังไม่มีโอกาสได้ทักทายหรือพูดคำใดกันเลยเพราะระยะที่ห่างไกลกันออกไปเพิ่งจะได้โอกาสขี่ม้าใกล้เคียงกันเดี๋ยวนี้เองโดยดารินเป็นฝ่ายตรงเข้ามาหาหลอนสังเกตเห็นทั้งคริสและเบลมีเข้าหน้าที่อิ่มเอิบสดชื่นขึ้นแสดงว่าได้พักผ่อนมาแล้วอย่างเต็มที่ สำหรับคริสนั้นแม้จะยิ้มอ่อนหวานให้แกลลอนแต่ลึกลงไปในดวงตาสีฟ้างามมีแววซึมรักคนกังวลลึกเพิ่งจะมาได้สังเกตเห็นชัดในวันนี้อีกครั้งดารินก็บอกกับตนเองว่าคริสเป็นคนสวยจริงๆสวยคมอย่างลึกลับจนบอกไม่ถูกส่วนเบลก็เป็นคนอย่างอเมริกันทั่วๆไ ป, ปร่าเริงหัวเราะง่ายและไม่ค่อยสำรวมนักหลับสบายดีหรือที่รับ หล่อนเป็นฝ่ายทักทั้งสองขึ้นก่อนโดยรวมๆไปทั้งสองคนคริสนั้นหันมายิ้มให้ยังไม่ได้ตอบอะไรแต่เบลหัวรอะเสียงใสหลับเป็นตายทีเดียวแหละน้อยและก็หลับสบายไร้กังวลนับตั้งแต่ออกจากจุดเริ่มต้นเดินทางมากว่าฉันจะตื่นก็ปลาเข้าไปเกือบสิบนาฬิกาของเช้าวันนี้เธอละ่ะเป็นยังไงบ้างก็หลับสบายดีแล้วเธอละ่ะคริส ดารินทอดความเมตตาและความเป็นมิสนิทใจไปให้เท่าๆกับลองอ่านใจแม่ผมทองอยังคงยิ้มสารวมอยู่ในอาการเดิมตอบเสียงทุ้มต่ำว่าฉันเมามากเมื่อคืนมาสั่งเมาตอนประมาณตีสามก็เลยตื่นขึ้นมาอาบน้ำเลยจักราทรงประทานเลี้ยงแก่พวกเราทุกคนอย่างอบอุ่นและทรงให้เกียรติแก่พวกเราอย่างสูงเราพลอยได้อาศัยบา ร, รมีของคณะพวกเธอด้วย คำพูดของคริสเป็นการบอกเล่าแบบธรรมดาเรียบๆก็จริงแต่ดารินขมวดคิ้วนิดหนึ่งอย่างสะดุ้งฉุก ค, คิดเธอบอกว่าเธอตื่นขึ้นมาอาบน้ำตอนตีสามเมื่อคืนคริสขมศสีรษะลงนิดหนึ่งใช่ตื่นขึ้นมาคนเดียวหรือคนเดียวนอกจากนั้นเขาหลับกันหมดทุกคนเธอตื่นขึ้นมาแล้วบริเวณที่พักของเธอพอจะสังเกตเห็นอะไรบ้างไหม ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเงียบเชียบสงบดีมากฉันไม่ทราบว่าในปราสาทหน้าที่พักของเธอได้มีการจัดพักนอนกันอย่างไรดารินถามเพลียๆต่อไปอย่างหย่่งหางเสียงฉันนอนในห้องที่เขาจัดไว้ให้กับเวลสองคนพวกผู้ชายไปนอนรวมกันอยู่อีกห้องหนึ่งทางปีกขวาแล้วรัพินกับพวกลูกหาบพวกนั้นดูเหมือนจะมานอนรวมกันอยู่ในห้องโถงกลางทั้งหมด ครูระพินความจริงดูเหมือนจะมีห้องพิเศษของเขาโดยเฉพาะที่ทางฝ่ายชาวพนักงานจัดเอาไว้ให้แต่เธอก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าครูระพินมักจะชอบนอนรวมกลุ่มอยู่กับลูกหาบของเขาเสมอตั้งแต่อยู่กลางป่าแล้วส่วนถ้าเขาจะอยู่ที่หนองน้ําแห้งบ้านเขานั้นฉันไม่ทราบว่าเวลานอนเขาจะต้องเอาคนทั้งสี่ของเขามานอนรวมกันด้วยหรือเปล่าเธอตื่นขึ้นอาบน้ํา แล้วก็ออกมาดูที่ห้องโถงกลางที่พวกลูกหาบและระพินนอนพักกันอยู่หรือเปล่าคริสนิ่งไปครู่ยิ้มเย็นๆนในอาการเดิมแล้วจึงตอบว่าฉันไม่ชอบเดินออกมาสำรวจตรวจตราใครถ้าแน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยและกำลังนอนหลับ และเมื่อคืนนี้ก็ไม่ปรากฏว่าครูรพินหรือคนของเราคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่ถ้าหากใครไม่สบายและฉันรู้ก็คงจะต้องออกมาดูเข้าใจว่าทุกคนมีความสุขกันดีก็เลยไม่ได้ออกมาดูแม้จะยิ้มดารินก็เม้มริมฝีปากนิดหนึ่งระพินของหล่อนพูดไว้ไม่ผิดเลยคริสติน่าทั้งแหลมทั้งคมและลึกซึ้งยิ่งนัก เพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่ทราบว่าทั้งรพินบุญคำเกิดเสยและจันไม่ได้อยู่ตรงที่นอนของเขาขณะที่เธอตื่นขึ้นมาตลอดทั้งชีวิตของฉันถูกฝึกมาให้รู้จักกับทุกข์ของผู้อื่นแต่ในเรื่องความสุขแล้วไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ได้เพราะบางทีมันอาจกลายเป็นเรื่องสอดเสือกไม่เข้าเรื่องคริสอืหเธอคมยิ่งกว่ามีดโกนซะอีก แม่อเมริกันผมทองยักไหลนิดหนึ่งแต่มีดโกนก็ยังคมไม่เท่ากับน้ำกรดอย่ากังวลไปเลยที่รักฉันไม่ใช่มีดโกนหรอกแต่ฉันเป็นน้ำด่างกรดนั้นต่อให้คมกล้าขนาดไหนก็จะกลายเป็นปกติเมื่อผสมกับด่างเข้าฉันจะเป็นน้ำด่างตลอดไประหว่างที่ดารินอึ้องงันไป เบลได้ยินเสียงคำพูดตอบโต้เป็นในๆระหว่างสองสาวซึ่งหล่อนไม่เข้าใจความในก็อุทานออกมาว่าเฮ hey, สองนักฟิสิกส์พูดคุยอะไรกันให้ฉันรู้เรื่องบ้างสิระหว่างคริสกับดารินไม่มีใครสนใจกับคำวอยวายของเบลราชสกุลสาวชำเลืองหางตาไปทางคริสเห็นตาของหล่อนชายแวบมาสนิดหนึ่งแล้วเบนหลบไปสีหน้าเรียบเป็นปกติฉันจะบอกให้ก็ได้ ที่สุดดารินก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบของหล่อนเมื่อคืนนี้ระหว่างที่พวกเธอหลับกันหมดระพินและพรานของเขาสี่คนได้ลอบไปสนทนากับฝ่ายของฉันที่ปราศาทตหลังถ้าเธอบอกว่าไม่ทราบก็แปลว่าเธอปลดคริสเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งชำรงแว็บมาทางหล่อนอีกครั้งจ้องขมงฉันไม่ปดเธอหรอกก็รู้สึกเหมือนกันว่าพวกนั้นกับหัวหน้าของเขาจะหายไปแต่ฉันไม่ได้ออกมาดูหรอก ถ้าครูรพินกับพรานสีคนของเขาจะรอบอาศัยเวลาที่ยังไม่ง่วงไปพบปะกับหญิงคนที่เขาแสนรักแสนบูชาและสนทนาหารืออะไรกับคณะเจ้านายเก่าที่เขาเคารพนับถือเขาก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนี่ฉันคิดว่าครูควรจะไปพบพวกเธอเมื่อคืนนี้ภายหลังเราหลับกันหมดแล้วถ้าเขาไม่ไปสินั่นจึงจะเป็นเรื่องประหลาดใจสําหรับฉันอ้าว นีรพินเข้าไปหาพวกเธอหรือเมื่อคืนนี้ตอนที่พวกเราหลับเอ๊ะไม่เห็นมีใครฝ่ายเรารู้เลยเบลร้องออกมาอย่างประหลาดใจอีกคริสบอกมาต่ําว่าหุบปากเสถะ เ, เบลเธอชอบทําอะไรเอออวยวายเสมอและพวกเธอไม่มีใครรู้เลยนอกจากเธอคนเดียวฉันเองก็ไม่รู้แน่นะว่าพวกเขาหายกันไปที่ไหนแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะเราอยู่กันในที่ปลอดภัยเพียงพอแล้ว ถ้าเป็นกลางป่าครูหายไปเช่นนั้นพร้อมทั้งคนของเขาทั้งหมดสี่คนฉันคงตกใจมากแต่นี่มันอยู่ภายในสถานที่ปลอดภัยแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมีธุระสำคัญอันไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความปลอดภัยของพวกเราที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแล้วเธอพอจะรู้ไหมว่าพวกเขากลับกันไปในตอนไหนภายหลังจากอาบน้าแล้วฉันก็มานอนต่อเพื่อเอาแรงไว้สาหรับทางานในวันนี้ เมื่อตื่นมาอีกครั้งพวกเราทุกคนก็เห็นว่าทั้งครูและพรานสี่คนอยู่กับพวกเราครบนอกจากเธอแล้วมีพวกเธอคนใดรู้บ้างไหมว่าพวกเขาหายไปไหนระหว่างที่พวกเธอพากันนอนหลับดารินซักไซเมื่อไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยฉันก็คิดว่าคงไม่มีใครรู้หรอกเพราะพวกเราก็ไม่ได้มีการเอ่ยอะไรกันถึงเรื่องนี้เลยแล้วคริสก็วเราออกมาเบาๆเปลี่ยนเรื่องพูดมาว่า เธอขี่ม้ากเก่งมากนะน้อยฉันเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและม้าสึกของมรกรณคร น, นี่ก็หน้าขี่ทุกตัวล้วนฝีเท้าจัดทั้งนั้นพวกนั้นไม่ยุติธรรมเลยม้าที่คัดเลือกมาให้น้อยขี่ฝีเท้าจัดดีแต่ม้าของพวกเราวิ่งไม่ค่อยทันใจนักฉันเป็นนักขี่มา้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางมาก่อนฉันรู้เบลพุ่งออกมานอกเรื่องนอกราวไปตามเรื่องเธอเกลียดฉันบ้างหรือเปล่านี่คริส ที่สุดดารินกระซิบถามตรงๆคราวนี้คริสติน่าเหลียวมองหน้าหล่อนด้วยสายตาตรงเช่นกันตรงกันข้ามฉันควรจะถามประโยคนี้กับเธอเสียมากกว่าและถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเกลียดพร้อมทั้งคิดระแวงผู้หญิงที่ชื่อคริสติน่ามากที่สุดแต่นี่น้ำใจของเธอประเสริฐมากและเป็นนักกีฬาพร้อมฉันชื่นชมเธอมาก่อนที่จะได้พบตัวจริงแล้วคุณหญิงดารินวราริ์ ไรสาระและอาจเป็นการพูดเกินเลยไปหน่อยฉันมีอะไรให้เธอชื่นชมในขณะที่เรายังไม่ได้พบเห็นรู้จักหน้ากันหลอนถามเสียงหนักๆมีสิมีมากสิด้วยครูรพินนั่นแหละทำให้ต้องชื่นชมและคาระวะต่อเธอเขาแสดงให้ฉันและใครต่อใครในคณะของเราเห็นว่าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้วไม่มีใครที่เขาจะเทิดทูนซื่อสัตย์ไปกว่าเธออีกแล้ว นั่นมันเป็นการพิสูจน์ชัดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเลอร์สำหรับเขาเพียงคนเดียวรวมทั้งฟังออกจากน้ำเสียงของพรานลูกน้องเก่าของเขาด้วยฉันรู้ตัวเองว่าฉันมีความงามที่ไม่น้อยไปกว่าเธอและฉันก็พิสูจน์ให้เขาเห็นหลายต่อหลายครั้งว่าฉันจริงใจต่อเขาเพียงไรแต่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใจเขาได้อีกครั้งขอแสดงความยินดีต่อเธอด้วยเธอเลือกรักผู้ชายที่ไม่ผิดคนแล้ว คนคนนี้คู่ควรกับเธอที่สุดไม่เพียงแต่พูดคริสส่งมือมาให้ดารินจับหลอนจับมือต่างฝ่ายต่างบีบกระชับแน่นสำหรับฉันก็ขอบใจอีกครั้งในทุกสิ่งทุกอย่างในด้านดีงามที่เธอได้กระทําให้กับเขาถ้าไม่ได้เธอสองคนช่วยกันดูแลเขาบ้างในระหว่างที่เขาเจ็บป่วยทุกพลภาพไปชั่วระยะระยะหนึ่งฉันอาจไม่มีโอกาสได้พบเห็นเขาอีกแล้วก็ได้ เราเข้าใจกันแล้วนะน้อยและขอสัญญาว่าเธอโปรดอย่าได้ถามอะไรฉันอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้ตกลงขอให้สัญญาฉันรู้สึกโล่งอกหมดกังวลไปเปราะหนึ่งแล้วเราจะเป็นม่ตที่ดีต่อกันวันนี้และตลอดไปไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะมีโอกาสได้พบกันอีกหรือไม่โปรดอย่าได้ระแวงแคลงใจอะไรฉันหรือชายที่เธอรักอีกทั้งสิน้นเขาเป็นยอดคนอย่างแท้จริง เมื่อคืนนี้ฉันรู้สึกว่าจะเมามากในงานพระราชทานเลี้ยงไม่ทราบว่าฉันทำอะไรที่ไม่สมควรออกไปบ้างหรือเปล่าประโยคหลังคริสชวนคุยพรางหัวรอกขันๆเธออาจเมาเพราะดื่มจัดแต่ฉันก็ไม่เห็นว่าเธอจะกระทำอะไรไม่สมควรเพียงแต่เดินเซไปบ้างนิดหน่อยเท่านั้นโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันไม่ได้ทาอะไรให้เป็นที่ขายหน้าออกไปเป็นต้นว่า ร้องรำทำเพลงหรือไปเต้นระบํารำฟ้อนอยู่กับนางนาฏศิลป์เหล่านั้นเธอคงไม่ไร้สติถึงขนาดนั้นหรอกฉันเห็นเธอระมัดระวังตัวทุกการเคลื่อนไหวทีเดียวออกตัวเสียก่อนด้วยถ้าหากว่าเธออาจสังเกตเห็นฉันพูดอะไรเป็นส่วนตัวสองต่อสองกับครูรพินในมุมลับตาตามลำพังนั่นก็แปลว่าฉันพูดสรรเสริญเธอถึงในแง่ที่ชื่นชมประทับใจไม่มีเรื่องอย่างอื่น ฉันเข้าใจดีในเรื่องนั้นแต่ดูเธอยังไม่หมดกังวลนะคริสงานใหญ่สำคัญกำลังรอฉันอยู่เบื้องหน้าเอาไว้ให้ฉันรู้แน่เสียก่อนว่าเปลือกระเบิดนิวเคลียร์ลูกนั้นไม่แตกร้าวและไม่มีกำมันตภาพรังสีระเหยออกมาอย่างที่จักราราสั่งฉันจะสบายใจกว่านี้อีกมากน้อยหืม เธอจะรังเกียจไหมถ้าหากว่างานหมดสิ้นลงแล้วและระหว่างที่เรายังพักกันอยู่ในมรกฏนครนี่ฉันจะไปนอนคุยกับเธอบ้างด้วยความยินดีที่สุดคริสและเบลด้วยเราจะได้ใกล้ชิดรู้จิตรู้ใจกันยิ่งกว่านี้และหวังว่าทั้งเธอและเบลคงจะมีเรื่องอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ฉันฟังบ้างนะระหว่างที่พวกเธอกาลังเดินป่าลาบากยากแค้นอยู่แน่นอนขอบใจในมตติจิต น้ำใจอันดีงามของเธอและฉันก็มีอะไรที่จะให้กับเธอด้วยนะสิ่งที่จะทำให้เธอเซอร์ไพรส์คำสนทนาของสองสาวสุดสิ้นลงเพียงแค่นั้นเมื่อม้าที่นำหน้าอยู่ทั้งหมดผ่านพ้นประตูเมืองพร้อมทั้งเริ่มทวีความเร็วขึ้นจนกลายเป็นควบแต่บึงเพื่อเร่งเวลาเสียงฝีเท้ามา้าเป็นพันตัวดังสะทนเลื่อนล่านไปหมดพร้อมทั้งผงครีลอยคลุ้งเป็นควัน ประมาณเวลาแห่งการเดินทางทั้งขบวนไม่เกินชั่วโมงครึ่งกองทัพม้าทั้งหมดซึ่งมีจักรราษและราชินีเมยานีทรงนำหน้าขบวนมาโดยตลอด <c oughs> ก็บรรลุถึงมหาวิหารพระแม่เจ้าอุมาเทวีหรืออีกในหนึ่งสุสานและขุมมหาสมบัติของเทพเจ้าแต่แทนที่จะตัดขึ้นสู่ถนนสายใหญ่อันจะนำเข้าสู่ลูกเขาซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิหารกองม้าขบวนนาหน้า ก็นาตัดแยกลงพื้นที่อันมีลักษณะเหมือนทองทุ่งปนละเมะไม้ซีกซ้ายมือนําอ้อมล็อไปทางด้านหลังของขุนเขาขนาดย่อมลูกนั้นแล้วชั่วอีกไม่นานพอรับเหลี่ยมบังของลูกเขาฝ่ายเช่ถาและฝ่ายของสแตนลีย์ทั้งหมดก็แลไปพบสิ่งที่ทำให้ตะลึงพรึงเพรดิดบนพื้นที่ราบโล่งเตียนมีอนาเขตกว้างใหญ่ไพศาลลิบล่วแทบสุดลูกหูลูกตาหลังภูเขา อันเป็นสถานที่ตั้งของเทวลายแห่งนั้นแม้จะเป็นระยะที่ห่างไกลออกไปทุกคนก็แลไปเห็นซากโลหะเทาปนดำของเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดยักษ์ลาหนึ่งหักเป็นสามท่อนประดิษฐานอยู่ใจกลางที่โลง่งอันแลลิบเลี่วออกไปนั้นส่วนหัวของมันปักจมลงไปในดินส่วนหนึ่งไม่ลึกนักปีขวาหักวางเฉยอยู่ใกล้ๆส่วนลาตัววางราบอยู่กับพื้น ความใหญ่โตมหูราณของมันทำให้มองเห็นได้อย่างถนัดแม้ขณะที่กองทัพทั้งหมดโโปรจากละมะ้อออกมาจะมีระยะห่างไกลจากซ่าเครื่องอับปางไม่ต่ำกว่าสี่หรือห้ากิโลเมตรเบื้องหน้าแสงตะวันอันจรัต จ, จ้าของยามบ่ายเล็กน้อยสาดลงมากระทบชิ้นส่วนโลหะสีขาวบางส่วนสองประกายวาวฝ่ายแช่ฐาอุทานออกมาว่าคุณพระช่วย ส่วนฝ่ายอเมริกันทั้งหมดอ้าปากค้างหลุดปากออกมาพร้อมกันว่าโอ้พระเจ้าขบวนนำหน้าขององค์จักรราชเริ่มชะลอความเร็วลงในทันทีกลายเป็นวิ่งเหาะและชั่วขณะหนึ่งที่ขบวนทั้งหมดกําลังบ่ายหน้าตรงเข้าไปยังบริเวณอันราบโลง่งเรากับใครมาทำเป็นลานบินเอาไว้นั้นจักรราชก็ชักมา้าหวนกลับเข้ามาสมทบกับคณะทั้งสอง ซึ่งกำลังจ้องมองไปยังภาพนั้นเป็นตาเดียวทรงย้มศูนย์ให้กับฝ่ายอเมริกันทั้งหมดซึ่งตาลุกโลงหน้าขาวเผือกกันอยู่ในขณะนี้รับสั่งถามขึ้นด้วยน้ำพระสุรเสียงอันดังว่าสมบัติสำคัญที่พวกท่านติดตามกันมาใช่หรือไม่ที่พังพินาศอยู่นั่นระหว่างที่สแตนลีย์และคิดยังตะลึงพูดอะไรไม่ออกอยู่นั้น คริสตีน่าก็เป็นฝ่ายกราบถูนขึ้นว่าใช่แล้วเพคะไม่ผิดไปรอบนั่นคือสิ่งที่พวกเราติดตามค้นหามาอย่างแทบจะเอาชีวิตไม่รอดจนกระทั่งได้มีโอกาสอันประเสริฐสุดได้มาพบกับดินแดนอันเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ของพระองค์มันไม่ได้สูญหายมาอับปางอยู่ณนะที่นี่จริงๆโปรดพิเคราะห์ในสภาพการตกอับปางของมัน และพวกท่านก็จะเห็นว่ามันควรจะระเบิดไฟลุกแต่นี่ปรากฏว่ามันตกลงมาหักเป็นท่อนๆอยู่เฉยๆเหมือนจะเป็นการกำหนดสั่งของพระสิวเทพความจริงณวันแรกที่มันหล่นอับปางลงข้าคิดว่าน่าจะมีใครในเครื่องพอจะหลงเหลือชีวิตอยู่บ้างแต่ก็ปรากฏว่าน้ำหนักของเครื่องที่หล่นกระแทกลงมาทำให้ทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่บอกไว้แล้ว ดรสแตนลีย์ขยี้ตาอยู่หลายครั้งพร้อมทั้งกระเดือกกลืนน้ำลายฝืดๆลงในลำคอในขณะที่คิดมีสีหน้าเบะเบพึมพำอะไรอยู่ในลำคอเสียงรบพินกล่าวมาอย่างเรียบปกติกับพวกนั้นว่าในที่สุดผมก็ทำงานรับใช้พวกคุณได้ครบถ้วนตามสัญญาแล้วนะจากสิ่งที่เราเห็นต่ำตาอยู่นี่ถูกต้องคุณได้ทำตามสัญญาว่าจ้างของพวกเราได้ครบถ้วนแล้วรพิน เสียงสแตนลีย <se> ์ <Stanley> หลุดปากออกมาแผ่วเบาและจุปากโคลงศีรษะไปมาซึ่งไม่มีใครรู้ความหมายในอากาปกิริยาเช่นนั้นของเขาส่วนฝ่ายของเชิดถาทั้งหมดยังอยู่ในภาวะที่พากันจ้องอย่างตื่นตะลึงต่อซากเครื่องทิ้งระเบิดยักษ์ลำนั้นและพูดวิจารณกันเองเบาๆเรากําลังจะเข้าไปถึงซาก ข, ของมันกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพอจะให้เราทราบ พ, พอคร่าวๆได้บ้างไหมว่ามันเป็นเครื่อง B ีห้แบบไหนเชิดวุฒ เ อ, อ่ยถามพร่งขึ้นมาไม่มีอะไรที่เราจะต้องปิดบังต่อไปอีกแล้ววุธในายคิดผู้เชี่ยวชาญการบินบอกห้าห้ายกมือขึ้นป้ายเงือบนหน้าผากที่เกาะพราวอยู่สลัดออกไปแต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนว่าพวกเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับมันมากนะักนอกจากพอสังเขตเท่านั้นมันเป็นเครื่องแบบ 52h พิสัยบิน 11,300 ไมล์ ความเร็วสูงสุด544น้อตเพดานปฏิบัติการ 47,000 ฟุตบรรทุกระเบิดเต็มอัตราศึกแบบธรรมดาขนาดใหญ่27ลูกระเบิดนิวเคลียร์4ลูกจรวจสแรม20นัดติดปืนกลใหญ่20ม mm. ม ASG 21ล่อเป้า 1,125 ALE 24พลุษ2 ส, สว่าง192 ALE 20 บินต่ำสุดได้ต่ำกว่า300ฟุตเพื่อป้องกันเรดาร์ไม่ให้จับได้ขอบใจโว้ยที่เพิ่งจะมาให้ความจริงเอาเดี๋ยวนี้เชิดวุธในายทหารไทยฝ่ายประสานงานบอกมาที่สำคัญที่สุดซึ่งเราต้องการรู้ก็คืออาวุธทลายโลกที่ติดอยู่ในเครื่องนั้นที่นายว่ามีอยู่4ลูกหมายถึงลูกละ10เมกะตันงั้นหรือข้อนี้ฉันไม่รู้แน่ชัดเหมือนกัน หน่วยเหนือไม่ได้ให้รายงานอะไรกับเรามากนะักเพียงแต่ส่งให้เรามาค้นให้พบซากตกและให้รายงานเขาทราบเพื่อจะได้นําเอาระเบิดนิวเคลียร์พวกนั้นกลับไปเท่านั้นมันอาจลูกละสิบเมกะตันหรือ4ี่ลูกรวมกันแล้ว10เมกะตันก็ได้โดยแบ่งเฉลีย่ยออกเป็นลูกละ 2.5 เมกะตันและเครื่องลํานี้เราก็ไม่ทราบว่าบรร จ, จุคิ้วเล็บเต็มอัตราศึกหรือเพียงบางส่วน จะายหน้ามาจากไหนและเพื่อจะไปไหนเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องรู้ก็บอกแล้วว่าเรามาตามหาเครื่องตกและรายงานให้ศูนย์ควบคุมรู้ตำแหน่งที่แน่นอนเท่านั้นจะให้พวกเราหรือกองกําลังฝ่ายเจ้าของแผ่นดินปฏิบัติการในการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไรก็บอกมาได้เดี๋ยวนี้เลยนะเช่นาเป็นคนเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกกับสแตนลีย์ภายหลังจากนิ่งไปอึดใจ ระหว่างที่ทุกม้า ก, กำลังเหยียย่างเข้าไปหัวหน้าชุดของอเมริกันก็บอกต่ําๆว่าก็อย่างที่เราได้ขอร้องไว้ก่อนแล้วคือขอให้ทุกคนหยุดกันอยู่ในรัศมีหนึ่งไมล์ห่างจากตัวเครื่องแล้วจะมีเพียงพวกเราผมสี่คนคือตัวผมเองคิดอิสเบลและคริสติน่ามุ่งตรงเข้าไปสำรวจใกล้ชิดในซากเครื่องตกนั้น สิ่งที่เราอยากจะให้ทางฝ่ายทหารของที่นี่ช่วยก็คือช่วยจัดหาบรรไดไม้ไผ่ยาวประมาณสัก30ฟุตนําไปส่งให้แก่พวกเราที่สราเครื่องนั่นด้วยเผื่อจําเป็นที่จะต้องอาศัยพาดปีนขึ้นไปบนตัวเครื่องพระเจ้ากรุงมรกฎทรงม้ารวมกลุ่มอยู่ด้วยและทรงได้ยินก็รับสั่งมาว่าประเดี๋ยวข้าจะให้ทหารจัดการทาบันไดที่ท่านต้องการให้ตามขอ ว่าแต่พวกท่านจะเข้าไปกันตามลำพังสี่คนเท่านั้นเองหรือข่าพระองค์ขอเสียงกันเพียงเฉพาะสี่คนฝ่ายเราเท่านั้นพระเจ้าค่ะไม่ประสงค์จะให้คนอื่นใดพลอยเสียงกับเราด้วยแม้จะเป็นอัตราการเสียงที่น้อยที่สุดเพียงใดก็ตามดอกเตอร์สเตลลี่กราบทูลด้วยสีหน้าเคร่งจักรราพยักพระพักและยิ้มสวนเบาๆก็สุดแล้วแต่ฝ่ายท่านเถิด ทางเราและฝ่ายของท่านเชษฐาคงไม่มีอะไรขัดข้องทางด้านพรานพื้นเมืองของระพินและพวกลูกหาบทั้งหลายขณะนี้กำลังพากันเอะอะโวยวายชีโบชีเบไปทางสร้างเครื่องบินลำนั้นอย่างตื่นเต้นเสียงกุนคำดังกว่าเพื่อนว่าพบเข้าจนได้แล้วโวยไอตัวมหาการที่ทำให้พวกเราต้องเดินป่ากันมาแทบล้มประดาตายมันเค้แกเป็นดุ้นสากระเบือหักอยู่ตรงหน้านี่เองฮ่าฮาแล้วแกก็เงียบกริบ รีบตะครุบ ป, ปากตัวเองหดคอลงเมื่อระพินหันมาชี้หน้าให้ทุกคนสงบปากเสียงเขาหันไปทางคริสตีนาซึ่งกำลังพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่หล่อนถืออยู่ในมือขณะ น, นี้แล้วถามว่าเป็นยังไงคริสเครื่องเรดิเอชันเซอร์เวมิเตอร์ของคุณเริ่มทำงานหรือให้รายงานใดๆบ้างแล้วหรือยังแม่ผมทองสีหน้ายุ่งแล้วสายหน้าไปมาพูดออกมาเหมือนปนกับตัวเอง เข็มมิเตอร์มันไม่กระดิกเลยเครื่องไม่ยอมทำงานรายงานผลอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปริมาณกำมันตะภาพรังสีถ้ามันจะมีระเหยออกมาบ้างหรือไม่อย่างไรเราไม่มีโอกาสรู้ได้เลยขนาดเครื่องวัดยังทำงานไม่ได้แบบนี้แล้วยังคิดอีกหรือว่ามันจะมีกำมันตะภาพรังสีระเหยออกมาได้เชิดวุว่าปนหรอหอห้อึห จักรราทรงควบม้าพระไปสมทบกับกองหน้าแล้วชั่วไม่นานต่อมาขบวนทั้งหมดก็หยุดรอในรัศมีประมาณหนึ่งกิโลเมตรเศษเล็กน้อยกษัตริย์หนุ่มแห่งมรกรนครท่งบัญชาการให้กองทหารทั้งหมดหยุดยั้งพักพลอยู่ตรงบริเวณชายป่าละเมอริมทุ่งกว้างนั่นเองแล้วท่งบัญชาให้เหล่าทหารตัดต้นไผ่มาทาเป็นบันไดชั่วคราวมีขนาดความยาวตามที่ดอร์สแตลี่ต้องการ ทุกคนของฝ่ายอเมริกันและฝ่ายเชษ้าบัดนี้ลงจากหลังม้าและขบวนทั้งหมดก็หยุดพักชั่วคราวอยู่ตรงบริเวณป่าไผ่ภายใต้ร่มแสงตะวันคริสสแตนลียิสซาเบลและคีธจัดการสมเครื่องแต่งกายสำหรับป้องกันกรรมตภาพรังสศโดยทันทีอย่างเร่งด่วนทุกคนปรารถนาที่จะไปสารวจดูที่ซากเครื่องตกโดยเร็วที่สุดในขณะที่คณะพัคทั้งหมดมุงรายล้อมกันอยู่ ระหว่างที่ทั้งสี่คนเตรียมเครื่องมือแม้แต่เชิดวุฒิก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมสำรวจด้วยแม้เขาจะขอร้องมาโดยพวกนั้นอ้างถึงความปลอดภัยเอาไว้ก่อนเฮ้ยนี่จะบอกให้นะพวกนายก็รู้ดีอยู่แล้วระเบิดขนาดสิบเมกะตันถ้าหากว่ามันจะแตกเปลือกระเหยกรรมตภาพรังสีรั่วไหลออกมาได้ ก็อย่าว่าแต่พวกเราทั้งหมดจะมาหยุดรอกันอยู่แค่นี้เลยต่อให้มรกรนครทั้งแผ่นดินบานนี้พินาศเกินไปหมดแล้วเชิดวุฒพูดปนหัวรขนขน้อขนัขนๆระคนทุเรศแต่ไม่มีใครโต้อตอบ ก, กับเขานอกจากเบลคนเดียวที่หันมาพูดอย่างเคร้มขึงเป็นครั้งแรกว่าหุบปากเสียทีได้ไหมวุฒระหว่างที่พวกนั้นสารวนอยู่กับกา ร, รเตรียมตัวที่จะเข้าไปยังซากเครื่องที่อับปางมองเห็นอยู่ไม่ห่างไกลออกไปนะัก ฝ่ายของเชษฐาก็เข้ามารุมล้อมรุมทั้งรพินด้วยและจักรราชกับราชินีเมยานีก็เหาะมาเข้ามาใกล้ถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเครื่องป้องกันกรรมตภาพรังสีอย่างพวกคุณก็ตามรพินเอ่ยขึ้นถ้าหากผมจะขออนุญาตเข้าไปกับพวกคุณด้วยจะได้ไหมหากเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งดีกว่าที่พวกคุณจะเข้ากันไปตามลาพังสี่คนเท่านั้นเขากล่าวขึ้นอย่างสุภาพ และประวรณาตัวที่จะรับใช้เต็มที่คริสติน่าสบัดเส้นผมแล้วเงยหน้าขึ้นในมือของหลอนถือหน้ากากอันเป็นหมวกสาหรับสวมครอบศีรษะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้สวมเรารู้และเข้าใจคะ่ะว่าทุกคนปรารถนาที่จะช่วยเหลือร่วมมือกับเราทั้งสิน้นแต่เห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าและเห็นแก่หลนมองไปทางดารินพร้อมกับยิ้มให้เห็นแก่คุณหญิงดารินวราฤทธิ์เถิด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 และเครื่องป้องกันก ร, รมันตภาพของเราก็มีกำจัดมาเพียงแค่สี่ชุดนี้เท่านั้นถ้าคุณจะเข้าไปพร้อมกับพวกเราด้วยคุณก็ต้องเข้าไปตัวเปล่าๆซึ่งมันเสี่ยงโดยใช่ที่แม้จะเป็นการเสี่ยงที่อาจไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนเราก็ไม่ต้องการให้มีการเสี่ยงสำหรับคุณหรือใครอื่นเลยเธอพูดถูกต้องดารินกล่าวยิ้มๆแต่หนักแน่นต่อให้เธอหรือดรสแตนลีย์อนุญาต ฉันก็ไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปพร้อมกับพวกเธอด้วยเพราะกว่าเขาจะนำพวกเธอมาถึงที่นี่จนพบเครื่องและระเบิดสิบเมกคตา่นั่นเขาก็เสี่ยงจนสุดชีวิตแล้วแต่ฉันก็ไม่ตําหนิเขาที่ขันอาสาจะไปกับพวกเธอด้วยเพราะนิสัยแท้จริงของเขาเป็นคนเช่นนั้นกล้าหาญเสียสละและไม่ยอมทอดทิ้งผู้ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของเขา มีเสียงหนักๆของใครคนหนึ่งดังมาลอยๆอีกคนหนึ่งว่าถ้าขืนตามพวกนี้เข้าไปด้วยก็มีหวังถูกเตะผู้พูดไม่ใช่ใครคือคุณชายอนุชานั่นเองทำเอาระพินยิ้มแห้งแล้งและเงียบกริบลงในทันทีแปลว่าพวกคุณจะเข้ากันไปเพียงสี่คนเท่านั้นเองหรือเชษฐาถามขึ้นเป็นประโยคสุดท้ายครับ เราจะไปกันเฉพาะแค่สีคนนี้เท่านั้นและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลับอะไรที่จะต้องปกปิดกันอีกต่อไปเป็นเหตุผลในด้านปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดมีขึ้นได้และเครื่องไม้เครื่องมือชุดที่จะต้องป้องกันก็มีอยู่เพียงจำกัดแค่สีชุดเฉพาะพวกเราที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในเครื่องอับปางนั้นเท่านั้นระหว่างที่พวกเราเข้าไปที่นั่นขอให้ทุกคนทั้งหมดโปรดรอเราอยู่ที่นี่ก่อน พวกท่านจะใช้เวลาเข้าไปสำรวจที่เครื่องตกนั่นนานสักเท่าใดจะกราสรงถามขึ้นอย่างห่วงใยเราไม่อาจบอกได้พระเจ้าค่ะแต่คงจะไม่นานนะักอาจประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นอย่างช้าเราจะตรวจหลักใหญ่ๆเพียงสองประการเท่านั้น 1. เปลือกระเบิดปริแตกหรือไม่และสองสาเหตุที่ทำให้เครื่องตกตกลงเป็นอันว่าพวกเราทั้งหมดจะรอคอยพวกท่านอยู่ที่นี่จนกว่าจะกลับออกมา จากราดรับสั่งลองตรวจวิทยุมือถือของพวกคุณอีกครั้งสิว่ามันพอจะใช้การได้หรือไม่เพื่อเราจะติดต่อส่งข่าวกันได้ในระหว่างที่พวกคุณเข้าไปสำรวจที่ตัวเครื่องชัยยันแนะนํามาอีกคนหนึ่งพันเอกคีดคว้าวิทยุขึ้นมาทดลองแล้วเบ้หน้าโคลงหัวมันใช้ยังไม่ได้อยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคุณชัยยันแล้วถ้างั้นเราจะติดต่อกันได้อย่างไรถ้าจําเป็นเราจะใช้กระจกส่องกับแสงทะวัน ติดต่อกันด้วยรหัสมอสเท่าที่ผมทราบระพินใช้รหัสนี้ได้ก็ดีเหมือนกันใช้ยันพยักหน้าไม่เพียงแค่ระพินเท่านั้นผมหรือเชษฐาอนุชาหรือแม้แต่พระเจ้ากรุงมรกฎก็ทรงอ่านรหัสมอสได้ตกลงเราจะใช้รหัสมอสติดต่อกันก็แล้วกันในระหว่างที่พวกคุณอยู่ที่นั่นและฝ่ายผมทั้งหมดอยู่ที่นี่ตกลงครับ